แก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปในที่สุดแต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหล า, านตสาวคเนี่ยังมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจที่มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกายที่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 เหตุการ์ต่างๆเหล่านี้แต่อย่างใดแต่ถ้าไม่มีความสุขใจเลยเวลาเกิดเหตุการ์ต่างๆเหล่านี้ใจจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศรา้าโศกเสียใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระเนรอันยาวไกลมีพระปัญญาที่ฉลาด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 เราก็จะต้องรับความทุกไปอย่างเดียวแต่ถ้าเราหมั่นมาสร้างความสุขทางใจกันเพิ่มความสุขทางใจของเราให้มีมากขึ้น mm. เวลาที่ความสุขของทางร่างกายเสื่อมลงไปความทุกของทางร่างกายมีเพิ่มขึ้น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 ใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่อยู่ของใจนี้เราเรียกว่าโลกทิพย์ที่อยู่ที่ของใจของทุกๆคนของสัตว์ทุกๆตัวทุกทุกร้างทุกชนิดอยู่ในโลกทิพย์ทั้งหมดต่างตรงที่ว่าอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์กันถ้าใจ มีความทุกมากกว่ามีความสุขก็เรียกว่าอยู่ในส่วนของอบายถ้าใจมีความสุขมากกว่าความทุกก็อยู่ในส่วนของสุขติหรือสวรรค์ถ้าใจอยู่มีความสุขล้วนๆไม่มีความทุกเลยใจก็อยู่ที่พระนิพพานหรือเรียกว่า ใจอยู่ในระดับพระนิพพานอยู่ในโลกที่เหมือนกันแต่อยู่ต่างระดับกันถ้าจะเปรียบเทียบก็ระดับของพระนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนระดับที่สูงสุดถ้าเป็นตุกก็เป็นตุกเป็นตุกชั้นสูงสูงสุดลองลงมาก็เป็นชั้นของพระอาริยะบุคคล เช่นพระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันท่านก็จะอยู่ชั้นต่ำ ล, ง, ลงมาท่านยังกําลังอยู่ในขั้นของการพัฒนาของการก้าวขึ้นสู่สวรรค์หรือที่อยู่ที่สูงขึ้นไปต่อไปพระโสดาบันก็จะตายเต้าขึ้นไปสู่ชั้นพระสกีดาคามี พระสกิดาคามีก็จะต่เต้าขึ้นไปสู่ชั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีก็จะต่เต้าขึ้นไปสู่ชั้นของพระอาหารหันต์ชั้นของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าไปสู่ชั้นพันธิพานเป็นชั้นสูงสุดเป็นชั้นที่มีความสุขเต็มร้อยไม่มีความทุกข์เลยชั้นอื่นๆนี้ยังมีความ ทุกผสมอยู่ชั้นพระอนาคามีก็ยังไม่เต็มร้อยความสุขยังไม่เต็มร้อยยังมีความทุกข์อยู่บางส่วนชั้นของพระสกิดาคามีก็มีความสุขน้อยลงมากว่าของพระอนาคามีและมีความทุกข์มากกว่าของพระอนาคามีชั้นของพระสวดาบันก็เช่นเดียวกันจะมีความสุขน้อยกว่าชั้นของพระ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 จางหายไปใจก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับความสุขของชั้นเทวโลกของเทวดา mm hmm. เทวดาก็คือผู้ที่ได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลห้าค mm hmm. นนี้ก็จะได้ความสุขระดับของเทวดาที่มีความสุขน้อยกว่าความสุขของระดับ พร้อมแล้วหลังจากที่กำลังของบุญที่ได้สร้างให้จิตได้อยู่ในระดับเทวดานี้เสื่อมหมดไปใจของเทวดาก็จะเลื่อนลงมาสู่ในระดับของมนุษย์ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมา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 เพราะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันร่างกายตายไปใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าใจยังไม่ได้ไปถึงความสุขชั้นบร ม, มสุขใจก็ยังต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อไปหาความสุขใหม่ถ้าได้ความสุขเพียงระดับโลกิยะคือระดับพรหมโลก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 การปฏิบัติขั้นวิปัสนาภาวนาหรือขั้นปัญญาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสลุจะไม่มีใครรู้วิธีการปฏิบัติระดับขั้นวิปัสนาขั้นปัญญาเลยก็จะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ความสุกระดับที่ไม่เสื่อม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 ไม่ยึดไม่ติดกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยึดไม่ติดกับธรมมารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตคือปล่อยวางหมดสลัดทิ้งไปหมดจึงทำให้ใจนี่ว่างเต็มร้อยเป็นปรมังูสูญอย่างพอใจว่างเต็มร้อยเป็นปรมาณูสูญอย่าง ใจก็จะเป็นบาลมังสุขขังเป็นบนาลมัสุขขึ้นมาการปฏิบัติธรรมทางพระวุทธศาสนานี้จึงปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละเพื่อตัดเพื่อปล่อยเพื่อวางไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะสักสั่งสมสร้างสมสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 อย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ปล่อยเรายังอยากมันอยู่แล้วของเหล่านี้ก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นอนัตตาของมันจะเสื่อมจะไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมมันห้ามไม่ได้ของมันจะเกิดมันก็ไปห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดฉะนั้นมันจะเกิดหรือจะเสื่อมจะดับก็ให้รู้ตามความจริงของมันตราบใดถ้ามันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ดับด้วย การกระทำของเราก็แล้วกันเช่นอยากไปดับร่างกายในขณะที่มันยังไม่ดับถ้าเราไปทาให้มันดับนี้ก็ถือว่าไม่ปล่อยมันอีกเหมือนกันถือว่าเรายังไปผูกติดกับมันอยู่ยังมีความอยากกับมันอยูอ่ใจก็ยังจะไม่ว่างอยู่นั่นเองเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมพตกเป็นอมภาสไม่สามารถรับใช้ปัญหาของใจได้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 อยู่ในวิสัยที่รักษาได้ก็รักษามันไปก็ทําได้เท่านั้นทําแบบปล่อยวางคือทําแบบไม่ได้มีความอยากทําแล้วมันจะหายก็หายไม่หายก็ไม่หายไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถึงจะเรียกว่าใจว่างปละมังสนอย่างต้องสัต์แต่ว่ารู้ เท่านั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนามันจะเป็นแบบไหนก็ให้รู้มันไปอย่างนั้นก็นแล้วกันไม่ว่าจะเป็นธรรมารมแบบไหนธรรมารมแบบสุขธรรมารมแบบทุกธรรมารมณ์แบบไม่สุขไม่ทุกก็ให้รู้กับมันไปตามความจริงของมันถ้ายัง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 ขอเพียงสั้น ๆ, ๆก็ยังก็ได้พระอุตจ้าก็ทรงตัดอย่างสั้นๆว่าให้สักแต่ว่ารู้ 00: 00. ไม่ว่าจะได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินไม่ว่าจะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นคือสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเห็นอย่างนั้นรู้ว่าได้ยินอย่างนี้พอไม่ต้องทำอะไรเท่านั้นพอตัดเท่านั้นเขาก็เข้าใจใจเขาก็บรรลุ ก็ขออนุญาตไปเตรียมบริขารเพื่อที่จะบวชเป็นพระภิกษุต่อไปนี่ก็คือความสอนที่สรุปที่สั้นๆแต่เป็นความสอนที่ลึกซึ้งที่สามารถทะลุโมหะอวิชชาทำให้ใจนี้สว่างสวัยขึ้นมา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 เวลาสัมผัสรับรู้อะไรแล้วมักจะเกิดความอยากตามมาเห็นอะไรแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ยินอะไรก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากแล้วก็ต้องดิ้นรนแก้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพอเห็นอะไรไม่ถูกไม่เป็นไปตามความอยาก <phenomenal. S 1> ก็ต้องไปแก้สิ่งนั้นให้มันเป็นไปตามความอยากให้ได้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 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนยังไงมันก็ยิ่งมันก็ไม่หายขันเปลี่ยนยังไงมันก็ยิ่งยิ่งขันขึ้นไปเรื่อยๆท่านหนึ่งบอกว่าเกาไม่ถูกที่ขันปุตุชนอย่างพวกเรานี้เกาไม่ถูกที่ขันกันแทนที่จะเกาที่ใจเราไปเกาที่ลาบยศสรรเสริญไปเกาที่รูปเสียงกลิ่นรสผดท่พระไปเกาที่ขัน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาถ้าเกาที่ใจจุดเดียวนั้นจบให้ให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นให้หยุดความอยากทั้งหลายตัวที่ทําให้มันคันก็คือความอยากนี่เองหยุดความอยากได้แล้วความคันต่างๆมันก็จะหายไปไม่ต้องไปเกาไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้น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 มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่นิ่งทุกเหตุปัจจัยต่างๆมันไม่นิ่งมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไปมัวไปปรับไปแก้มันก็จะปวดหัวแล้วก็จะเหนื่อยไปเปล่าๆไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสบายได้เลยแต่ถ้าเรามาแก้ที่ใจของเรา แกที่ตันหาความอยากของเหล่านี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นตัดกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาให้มันหมดไปจากใจได้เท่านั้นเวลาเห็นอะไรก็ไม่เกิดกามตันหาไม่เกิดภาวะตันหาไม่เกิดวิภาวะตันหาให้สักแต่วรู้ไปอย่างเดียวมันจะดีขนาดไหนมันก็เรื่องของมันขอให้ได้มันมา เป็นสมบัติมันก็ไม่ได้ทาให้เราดีขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับทำให้ใจของเราต้องทุกข์มากขึ้นเพราะจะเกิดความอยากมากขึ้นได้อะไรมาถ้ามันดีก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆพอมันมีปัญหามันจะไม่อยู่ก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมามนเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้มาเลยก็ไม่มีเรื่องราวที่จะต้องยุ่งกับมันเลย เรา ม, มองไม่เห็นประเด็นนี้กัน musician. เห็นแต่ว่ามันดีได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่ไม่เห็นประเด็นที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเสื่อมห้ามมันไม่ให้เสื่อมไม่ได้แต่ยังอยากจะให้มันไม่เสื่อมอยู่เราเกิดความอยากไม่ใหนไม่เสื่อมมันก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา เพราะว่าไม่รู้จักทําใจให้ว่างไม่รู้จักทําใจให้เป็นปรมังสุญญ์ยังวิธีที่จะทําใจให้เป็นปรมังสุญญ์ยังก็ต้องปฏิบัติวิปัสนาภาวนาต้องพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะสักแต่ว่าได้สักแต่ว่ารู้ได้ถ้ายังไม่มียังไม่ถ้ายัง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 เราจะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่ต้องมาคอยแก้อยู่เรื่อยๆถ้ามีอะไรก็ต้องคอยแก้อยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องแก้ ค, คนที่ไม่มีรถยนต์นี้เขาไม่ต้องมาคอยซ่อมรถยนต์เขาอยู่อย่างสบายใจเขาไม่ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลรักษารถยนต์คอยเติมน้ามันให้กับรถยนต์คอยเช็ดคอยล้างให้รถยนต์คอยเอารถยนต์นเข้าอู่ คอยเปลี่ยนอย่างมีมีปัญหาสารพัดมาเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเวลาที่ได้อะไรมาเพราะมันจะต้องมีการเสื่อมมีการชํารุดทุดโทรมก็ต้องมีการแก้ไขกันไปมันก็มีแต่เรื่องให้ทําไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีรถได้นี่ยิ่งกับสบายเดินไปก็ได้ขึ้นรถเมย์ก็ได้ขึ้นแท็กซี่ก็ได้สบายกว่า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 ดึงใจให้เข้าสู่สมาธิให้สักแต่วรู้ได้ด้วยการใช้ปัญญ า, ญญาพิจารณาแต่ถ้าสาหรับบุคคลทั่วไปแล้วนี้ก็ต้องอาศัยการเจริญสติพิจารณาให้ตั้งสติให้จิตตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตลอดเวลาไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะการคิดปรุงแต่งนี้จะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมานั่นเอง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 ก็จะทำให้รักษาศีห5้าได้รักษาศีห5้าได้ก็ขยับขึ้นไปรักษาศีแปรักษาศีแปดได้ก็ไปปีกวิเวกอยู่วัดได้อยู่สถานที่สงบสงัดห่างไกลจากสิ่งลบกวนใจทั้งหลายก็สามารถเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องได้เจริญสติได้ก็จะนั่งสมาธิทาใจให้รวมเป็นหนึ่งได้ให้สักแต่วรู้ได้พอได้สักแต่วรู้แล้วก็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 มีแต่ความสุขอย่างเดียวนั่นเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดความอยากแล้วสักแต่ว่ารู้ก็จะหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเข้ามาแทนที่แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยมันได้ใจก็จะสักแต่ว่ารู้ไปตลอดใจก็จะเป็นปรมังสุญอย่างเป็นปรมังสุ ข, ขงังเป็นใจของพระพุทธเจา้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เป็นอย่างนี้ได้ทุกดวงถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้เหมือนกันหมด ถ, ถ้าเริ่มตั้งแต่ทานศีลสติสมาธิปัญญาผลมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าเป็นคน ร, ร, ร, รูสอนโดยตรงหรือไม่ก็ตามจะมีพระอรหันต์สอนโดยตรงหรือไม่ก็ตามถ้ามีพระธรรมคำสอน มันก็เป็นองค์เป็นตัวแทนกันได้เพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนพระอาหารหันตสาวกได้ mm. ถ้าไม่มีถ้าพูดถึงในกรณีที่ไม่มีจริงๆถ้ามีก็ควรจะไปอยู่กับผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์จริงๆมีชีวิตอยู่จริงๆเพราะจะได้รับการสั่งสอนที่ใกล้ชิดและตรงต่อ เหตุการ์ทันต่อเหตุการณ์ถ้าอาศัยหนังสือธรรมะซีรีอ่านหรือฟังนี้อาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะมัวไปค้นหาตำรานี้ยบางทีไม่รู้ว่าอยู่หน้าไหนถ้ามีครูบามีอาจารย์มีปัญหาไปกราบเรียนท่านปับ๊บท่านก็จิชีบอกวิธีแก้ให้ได้เลยอย่างนั้นขอให้พวกเรายึดติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พยายามศึกษาเพราะทำคำสอนอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลมืวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาปราศ จ, จากความทุกข์ถ้าไม่ศึกษาเราก็จะปฏิบัติแบบไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแทนที่จะเกิดความสุขกลับจะเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นมา ยังขอให้พวกเราจงพยายามศึกษากันและปฏิบัติกันให้มากๆเพราะเวลาของพวกเรานี้มันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบขวนขวายเสียแต่บันนี้ถ้าเราทําไม่ทันกับเวลามันก็จะเสียโอกาสไปได้ถ้าเราเกิดต้องตายไปก่อนที่เราได้ไปถึงขั้นของพระอาริยบุคคล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 อาจจะไปพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะไปก่อนเขาหลังเขาก็ได้หรืออาจจะไปพร้อมกันก็ได้ขอให้พวกเราอย่าประมาทอย่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งรีบมาทำกิจอันเลิศอันวิเศษนี้มาสร้างความสุขทางใจมาสร้างปลมังสุขขังปลัมังสนอย่างเสียแต่บัดนี้อย่าไปเสียดายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เลยเพราะไม่ช้าก็แล้วก็ต้องเสียมันอยู่ดี มีอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะมาสร้างปรมังสุขขังประมังศูนย์อย่างให้กับเราได้นอกจากการที่มาปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น mm hmm. จึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุข อันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาาปุราภาิปุเลนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปกรปติ อิชิตังปฏติต um ังตุ მ หังคิพะเมวาสมิจาตุสัพเหโปรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิตโยวิวาจานตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิตสนิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวาัทานติอายุวโนโอสุขังภาลังเอาต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาขอเชิญ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 อยู่ในสมาธิก็สักแต่ว่ารู้ได้ออกจากสมาธิก็สักแต่ว่ารู้ได้ค็ให้รู้เฉยๆเห็นอะไรก็อย่าไปมือคันไม้คันมือขึ้นมาเห็นแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางก็สักแต่ว่ารู้ไปใครด่าก็สักแต่ว่ารู้ใครชมก็สักแต่ว่ารู้ไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่รับรู้แสดงว่าผู้ชายคนนั้นที่ถามผู้เจ้าก็ต้อง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 การสร้างความสุขใจที่ถาวรที่ถูกต้องก็คือให้สักแต่ว่ารู้เท่า น, นั้นเองถ้าสักแต่ว่ารู้แล้วจะไม่มีความทุกข์กับอะไรมนะันมันไม่สักแต่ว่ารู้มันรู้แล้วมันอยากขึ้นมามันก็เลยทุกข์ขึ้นมาเห็นกว๋วยเตี๋ยวก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ต้องอยากกินขึ้นมาเงี้มันก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องหามากินจนได้คือให้สักแต่ว่ารู้ เราไปทําดูเลื่อนไปให้ทางพิธีกรต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณแหม่มตอนนี้มีความทุกข์จากบุคคลที่รักถูกกล่าวหาว่าทําผิดแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทํา ตอนนี้เป็นคดีความจิตใจว้าวุ่นเป็นทุกข์เป็นกังวลมากต้องทำอย่างไรให้จิตใจสงบได้บ้างคะก็เ น, นี่ยบอยสักแต่ว่ารู้มันก็สงบเลยไม่ยอมสักแต่ว่ารู้อยากจะไปแก้เขาอยากจะไปให้เขาไม่ว่าเราไม่ด่าเราเขาว่าเราด่าเราก็ปล่อยเขาว่าไปสิให้เห็นว่าเป็นอนัตตาก็จบเราไปห้ามเขาไม่ได้ เราเป็นอะไรเราก็รู้อยู่แก่ใจของเรามันก็แค่นั้นเขาเล่าเขาว่าเขาว่าไปเขาว่าเราเป็นควายแล้ว เ, เขาจะมาเปลี่ยนเราจากมันเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นควายได้หรือเปล่าใช่ไหมแก่ใจเรามันยังอยากจะให้เขาชมไม่อยากเขาว่ามันเลยวุ่นวายก็มีเท่านั้นแหละถึงบอกให้สักแต่ว่ารู้ทุกอย่างนะถ้ารู้จักคําว่าสักแต่ว่ารู้มันแก้ปัญหาได้หมดเ น, นี่ยตอนเนี้ยใครมีปัญหาอะไรให้สักแต่ว่ารู้ไปนั้นจบ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 บุญก็คือผลที่เกิดจากการให้บุญแปลว่าความสุขใจทําแล้วก็เกิดความสุขใจก็เรียกว่าเป็นบุญทําทานยังเรียกว่าเป็นบุญบุญที่บุญนี้มันมีอยู่สิบประการด้วยกวันที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ให้บุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคือละเว้นจากการทําบาปเรียกว่าศีล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 แสดงความชื่นชมยินดีเลื่อนร่วมทาบุญไปกับเขาเราก็จะเกิดความสุขแต่ถ้าเราเห็นเขาทำบุญแล้วเราไม่เห็นด้วยเราแย้งขึ้นมาไม่อยากให้เขาทำาก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมางั้นเวลาใครทำบุญก็อนุโมทนาไปถ้าอนุโมทนาไม่ได้ก็เฉยเฉยไปปล่อยไปไม่ใช่เรื่องของเราเราก็จะไม่ได้บุญเท่านั้นเองไม่ได้ความสุขใจ บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะเป็นคนที่น่ารักอยู่กับใครเขาก็จะยินดีเ อ, อเอ็นดูช่วยเหลื อ, อ, อก็จะได้รับความสุขจากบุคคลต่างๆที่อยู่ด้วยบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเราไม่มีเงินทองที่จะช่วยเขาแต่เรามีกําลัง เ, เราไปช่วยเกา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 เราก็จะได้รับความรู้ไม่เข้าใจเราก็ถามพอถามแล้วเราได้คำตอบเราก็ได้ความรู้นี่ตอนนี้คนที่ถามสามข้อนี้ก็จะได้กุศลนะได้ความฉลาดได้กุศลาขึ้นมาท่านสอนว่าอย่าไปกุศลาตอนตายให้กุศลาตอนเป็นเราชาวพุทธนี่มักจะหลงคิดว่าต้องกุศลาตอนตายกันเวลาคนตายนี่นี่มนพระมานั่งสวดกุศลามาสอนคนตาย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 อันนี้ก็เป็นกุศลที่เกิดจากการฟังพระสวดแต่จะไม่ได้ปัญญาเพราะไม่เข้าใจความหมายถ้าอยากจะเข้าใจความหมายก็ต้องไปเปิดคำแปลดูหรือเดี๋ยวนี้วัดบางวัดท่านก็สวดไปแปลไปด้วยเพื่อให้ผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าท่านกาลังสวดอะไรกันคำถามต่อไปจากคุณจักรกิจ ปกติลูกฟังธรรมของพระอาจารย์มาตลอดเหมือนกินยามากเกินไปลูกขอถามพระอาจารย์ในปัจจุบันนี้มีข่าวเผาทั้งเป็นฆ่าตัดคออยากทราบว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะก็สั่งแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้โลกนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็เกิดขึ้นได้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 พราะปกติพระเจ้าก็ทรงสอนให้พระภิกษุนอนคืนละเพียงสีชั่วโมงก็พอแล้วถ้าในช่วงกลางวันถ้าอ่อนเพลียง่วงบ้างก็ให้พักได้ชั่วโมงสองชั่วโมงในตอนกลางวันข้อที่สองดิฉันอ่านหนังสือธรร ม, มะที่หลวงตามหาบัวเทศและดิฉันแปลความหมายตามความเข้าใจว่า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 ใจของท่านไม่หลงไม่ยึดติดกับรูปประคันไ ม, ไม่ติดกับนามขันไม่ติดกับท่าสี่ดินน้ําลมไฟคือไม่ติดกับสมมุติเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคําถามข้อที่สดิฉันพยายามว่าแผ่นเล็บเป็นสิ่งปฏิกูลโดยพิจารณาจากสีสันฐานและกลิ่นโดยพิจารณาว่าเล็บเป็นสีขาว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 คำถามต่อไปจากคุณพิมพิพาการนั่งสมาธิจนนิ่งนิ่งในที่นี้จะมีอาการอย่างไรเจ้าคะต้องนั่งดูซิมาอธิบายได้ไงเหมือนกินอิ่มแล้วมันอาการอย่างไรต้องอธิบายได้ไั้มเวลากินข้าวอิ่มแล้วอิ่มอย่างไงต้องไปกินที่กินแล้วอิ่มแล้วก็จะรู้เองคำถามต่อไปจากคุณชัยพฤ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 คืไม่ช่วยก็ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาแต่เราก็จะไม่ได้บุญถ้าเราช่วยเขาเราได้บุญแล้วเวลาเขาหายแล้ว เ, เขากลับมาฆ่าเราแล้วเราปล่อยให้เขาฆ่าเราได้เรายิ่งได้บุญใหญ่เพราะเร า, า, าสักแต่ว่ารู้ได้ อ, อย่างนี้ก็ก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเลยเขาถามต่อข้อที่สองว่าแล้วถ้าไม่ช่วยจะบาปไหมคะ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 ที่หลังจากที่จิตรวมลงไปสู่ระดับอัปปนาสมาธิยังไงคะคำถามอะไรคถามของเขาถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องพิจารณารกการพิจารณาร่างกายนี้เป็นขั้นวิปัสสนาไงเป็นการสอนใจใ ห, ให้ให้รู้ความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงการรวมตัวของอวัยวะต่าง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 หาอยู่หายาหาวิธีอะไรต่างๆมาคอยอประยุงร่างกายให้สวยให้งามไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงได้ก็จะถูกความหลงเึ่งให้เราไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกมาเสียใจเมื่อไม่สามารถที่จะรักษามันได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วจิตจะมะีมีกำลังที่จะ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 ก็ต้องเห็นว่าไม่ได้สุดมันก็จะต้องเป็นไปไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องไม่สวยไม่งามถ้าเรามีภาพของความไม่สวยไม่งามฝังอยู่ในใจเราก็จะได้ไม่ลุ่มหลงกับร่างกายเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายมากจนเกินไปคําถามต่อไปจากคุณดวงใจหนูไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งกับแม่ชีอีกคนหนึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนกัน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 แม่ของเราพ่อแม่ของเราพระเจ้าบอกว่าเป็นพระรมเป็นพระอารัานของลูกๆเราต้องคิดถึงเวลาที่แม่เลี้ยงเราบ้างเราปวดท้องฉี่ตอนกลางคืนกี่กี่โมงกี่ยามแล้วก็ร้องออกมาลั่นปลุกพ่อแม่ที่กําลังนอนหลับให้ตื่นขึ้นมาพาเราไปฉี่พาไปเราไปขับถ่ายนี้ถึงเวลาที่พ่อแม่เขาเป็นแบบและเป็นแบบเราตอนที่เป็นเด็กๆแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ตอบแทนบุญคุณกันไป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 เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ